ทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สองอันยุตาความเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขอสุขเป็นเป็นเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้นะสุขอเป็นเหตุอันนี้ทุกข์ เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ข้อสามอตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเรามีชาติตระกูลยศศ ส, สมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงนี้นะแล้วก็ประพฤตินตนให้เหมาะสมแก่ที่เป็นอยู่อย่างไราตามสภาวะของตนข้อที่สี่มัตตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควร ข้อที่ห้าการลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆข้อที่หปริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกริรยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่ามูนี้เมื่อเข้าไปหาก็จะต้องทากริรยาอย่างหนึ่งจะต้องพูดอย่างหนึ่งจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นข้อที่เจ็ดปุคละประโรปรันยุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่านี่เป็นคนดีคนคบนี่เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบนะอันนี้ทั้งหมดนี้แหละเรียกว่าสัพพุริสธรรมเจ็ดประการเป็นธรรมของสัตว์ปรุษเป็นธรรมของคนดีเป็นธรรมของนักปราชญ์ที่เราควรประพฤติปฏิบัติผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมของสัตว์ปรุษผู้นั้นจก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนมีสมบัติของผู้ดีนั่นเองนะเพราะว่าคําว่าสัพพุริสะแปลว่าผู้ดีธรรมก็แปลว่าสมบัติแต่ว่า สมบัติของผู้ดีนะฉะนั้นรวมความก็คือว่าสมบัติของผู้ดีทีนี้ก็หมายความว่าท่านผู้เป็นสัตว์ปรุษนั้นคือผู้ดีย่อมประกอบด้วยธรรมคือสมบัติเจ็ดเดียวการอีกอย่างหนึง่งแปลว่าสมบัติธรรมบุคคลให้เป็นให้เป็นผู้ดีบุคคลใดเป็นบุรุษก็ดีเป็นสตรีก็ดีแม้จะมีฐานะเป็นอย่างไรก็ตามแม้จะมีฐานะยากจนก็ตามนะ จะมีฐานะยากจนหรือว่าร่ารวยก็ตามแต่ถ้าประกอบด้วยสมบัติเจ็ดประการนี้แล้วบุคคลผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีก็คือเป็นสัตว์บุรุษนั่นเองนะเป็นสัตว์บุรุษนั่นเองคําว่าสัตว์บุรุษนี้อบางทีเราก็เรียกว่าสัตว์ตบุรุษนะบางที่ก็เรียกว่าสัตว์บุรุษนะคําว่าสัตว์ตบุรุษนี้ไม่ได้หมายถึงว่าบุรุษที่เจ็ดหรือว่าบุรุษเจ็ดคนก็หมายถึงว่าอเป็นบุรุษอที่เป็นนักปราชบนะเป็นนักปราชบ ดันั้นก็จะได้ขยายความให้กว้างออกไปในข้อที่บอกว่าทำมัญยุตารู้จักเหตุคําว่ารู้จักเหตุในที่นี้ก็คือว่ารู้จักเหตุแห่งความเสื่อมนะรู้จักเหตุแห่งความเจริญนะนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่เป็นเหตุแห่งสุขการรู้อย่างนี้เป็นความเจริญเช่นรู้ว่าความชั่วเป็นเหตุแห่งทุกข์ความดีเป็นเหตุแห่งสุข อ, อย่อมเป็นคนละชั่วเสียแล้วก็ประพฤติแต่ในทางที่ดีที่งามประพฤติแต่ในทางที่ดีที่งามอันนี้แหละเรียกว่าเรารู้จักเหตุรู้จักเหตุเช่นว่าเช่นยังรู้อริยสัจสี่รู้ทุกแล้วก็รู้เหตุให้เกิดทุกนี่รู้เหตุให้เกิดทุกอแล้วก็รู้ความดับทุกรู้หนทางให้ถึงความดับทุกอย่างนี้เรียกว่าการที่เรารู้เหตุให้เกิดทุก และรู้เหตุคือรู้หนทางให้ถึงความดับถุกรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าทำมันยุตาคือรู้จักเหตุหรือพูดง่ายๆว่ารู้จักเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็เช่นว่าความเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายนะความเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายหรือว่าการเป็นนักเลงสุรานะเป็นนักเลงการพานันหรือคบคนทั่วเป็นมิตรหรือเป็นคนเกียจคร้านทำการงาน อันนี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งนั้นนะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมใครประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็เสื่อมทันทีเกิดความหายณะขึ้นทันทีหรืออย่างที่พระองค์ได้ตัดกับอในธรรมบทคุตตังกาลิกายในเรื่องของอนัตถะปุจจิกภพราม์ก็เกี่ยวกับเรื่องว่าหากว่าคนเราถ้านอนเตื่นสายนะเป็นคนนอนเตือนสายเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนนอนขี้เศ้านอนนานเป็นคนดุร้ายเป็นคนชอบคร่ อชู้สาวเป็นคนอเดินทางไกลคนเดียวอย่างนี้ก็ถือเป็นความหายานะเป็นความหายนะเป็นความเสื่อมเป็นความเสื่อมใครปฏิบัติแล้วเสื่อมทางนั้นนี่เรารู้อย่างนี้เรียกว่าเรารู้เหตุแห่งความเสื่อมนรู้เหตุแห่งความเสื่อมทีนี้เมื่อรู้เหตุแห่งความเสื่อมเราก็รู้เหตุแห่งความเจริญนรู้เหตุแห่งความเจริญก็รู้ไงรู้ว่ารู้ว่าการที่เราเป็นคนเสียสละ นะเป็นคนเสียสละรู้ว่าเรารู้ว่าการรักษาศีลรู้ว่าการเจริญภาวนานะการเจริญภาวนาคือการทําจิตใจให้เป็นสมาธิหรือเจริญสมาถะอิปัสสนาอันนี้เป็นเหตุให้ให้ตัวเราจเจริญนะเป็นเหตุให้เจริญคนเราแน่นอนที่สุดถ้าเป็นคนเสียสละก็คือเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวก็คือคนที่ไม่โลภคนที่ไม่โลภ ก, ก็คือคนที่ไม่มีความตัหนี คนที่ไม่มีความตเหนกก็เป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะชอบ เ, อเสียสละทั้งแรงกายแรงใจทั้งทรัพย์สมบัติต่างๆเพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือว่ากิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์จะเป็นสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างบ่อน้ำต่างโรงทานาสร้างทีพักอะไรก็แล้วแต่และอันนี้เป็นประโยชน์ทางน้ำ น, นะเป็นประโยชน์ทุกเสียงทุกอย่างเรารู้แล้วว่าเราทําอย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุแห่งความเจริญอ่านะนี่อย่างนี้เรียกว่า ทำมันยุต่าทำมันยุต า, ท, ตาทีนี้ถ้าหากว่าเราทุกคนประพฤติกันอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลดเป็นสัตวร์ระหเรียกว่าได้ประพฤติตามธรรมของสัตว์ปรุษแล้วเราก็จะมีแต่ความเจริญเราก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองประการที่สองประการที่สองอัจฉยุตาความรู้จักผล เธอรู้จักว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นผลที่ดีหรือชั่วแล้วก็มีมาจากเหตุอะไรนะถ้าเป็นผลข้างดีก็จงรักษาผลนั้นๆไว้และทําให้ดียิ่งๆขึ้นถ้าเป็นผลข้างชั่วก็จะได้ตัดต้นเหตุเสียไม่ให้เกิดขึ้นเสียต่อไปนอกจากนี้ก็ยังเป็นทางให้สาวหาเหตุที่จะต้องการที่จะรู้จักด้วยนะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าอัจันิยะตาคือความเป็นผู้รู้จักผล ให้ความว่ารู้จักผลก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นผลแห่งความดีอผลแห่งความดีผลแห่งความดีก็คือสาวไปหาเหตุเหตุมาจากทําอะไรอ๋อเหตุมาจากการที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเหตุมาจากที่เราเป็นผู้มีศีลเหตุมาจากเราได้อบรมบ่ ม, มนิสัยทําจิตใจให้เป็นสมาธินี่แหละมันเป็นผลอันมาจากเหตุแห่งการทําความดีนะเราสาวไปสาวไปหาเหตุ อ้าที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเราก็สาวไปหาเหตุอีกแล้วนะไอ้ทุกข์ตัวนี้มันเป็นผลนี่เหตุที่เกิดทุกข์ก็คืออะไรอ๋อเป็นเพราะว่าเรานั้นเป็นคนสู่รุสูร่ายนะเป็นคนสู่รุ่ยสูร่ายเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนดุร้ายอ่าเป็นคนหลงไฟไฟฝันเรื่องอบายมุกนี่แหละมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นะดังนั้นที่เราเป็นทุกข์เราก็เพราะสาวไปหาเหตุว่ามันมาจาก ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันก็นํามาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความเดือดร้อนแล้วก็นํามาซึ่งความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกด้วยนะเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกด้วยฉะนั้นอันนี้เนี่จัดว่าเป็นอัจฉริยุตาคือความเป็นผู้รู้จักผลนะ pues awesome. รู้จักผลประการที่สามอัจตัญญาตาความเป็นผู้รู้จักตนคือรู้จักว่าตนมีฐานะเป็นอย่างไรนะมียศจากสกุลเป็นอย่างไร แล้วก็ประพฤติให้เหมาะสมกับฐานะของตนเป็นผู้ใหญ่ก็ประพฤติให้สมกับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นั้นต้องทําอะไรให้เป็นแบบอย่างกับผู้น้อยเพราะผู้น้อยมันจะได้กระทําตามกระทําตามผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นั้นจะต้องมีคุณธรรมของผู้ใหญ่ก็คือมีเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นเมีความรักมีความสุขเหมือนกันการุณาก็คือความสงสาร อาปาถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์มุติตาก็คือความยินดีในเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีผู้เบคาก็คือความวางเฉยในเมื่อผู้อื่นนั้นถึงความสุขอันไัยบุญหรือถึงทุกข์กถึงที่สุดแล้วอันนี้ก็วางเฉยอันนี้ต้องรู้จักทำของความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ประพฤติให้ให้เป็นหลักเป็นฐานนะมีเมตตาอาไรแก่ผู้น้อยนะนะแก่ผู้น้อย เป็นคนเสมอกันก็ประพฤติตามฉันมิตรนะมีความซื่อตรงนะมีสิตจากความจริงใจต่อกันเพื่อเพื้อเผื่อแผ่แก่เขาเป็นผู้น้อยก็คอยประพฤติอ่อนน้อมเพื่อเฟือ้อเผื่อแผ่แก่ผู้ใหญ่ให้ความเคารพผู้ใหญ่พูดแบบนี้สัมมาคาระวะไม่แข็งกระด้างไม่เย่อจริงไม่จองหองนะเรียกว่าเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ไฝ่สูงเกินจักรนะอย่างนี้จัดว่าเป็นคนรู้จักตนนะรู้จักตน คนที่รู้จักตอนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอัดถันยุตานะอัดถันยุตาฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมาเป็นผู้รู้จักตนกันนะรู้จักตัวเองกันเนะที่เราทุกวันนี้ที่ประพฤติผิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเมื่อตัวของเราเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราจะดาเนินชีวิตได้อย่างไรนะเราจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนะกับในหน้าที่การงานเราได้อย่างไร น, นั้น ก, รการแรกเราจะต้องรู้ตัวของเราเสียก่อนเมื่อ <c oughs> เรารู้ตัวอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะได้ทำปฏิบัติหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็ น, ป น, ปนไปในทางที่ชอบเป็นไปในทางที่ถูกเป็นไปในทางที่ควรจะไม่มีแต่จะไม่มีความชั่วจะไม่มีแต่ความเสื่อมขอให้ท่านลองนึกดูถ้าว่าเราเป็นนักเรียนเราไม่รู้จักว่าเราเป็นนักเรียนคนไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นนักเรียนแล้วก็จะไปเรียนได้อย่างไร โรงเรียนก็ไม่ปลายก็อยากจะขัดขาดหลบๆลซ่อมๆ่ไม่ขยันอ่านตำราไม่ขยันทําการบ้านตามที่ครูได้สั่งมาอย่างนี้ก็เป็นนักเรียนไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่นักเรียนคําว่านักเรียนนั้นก็คือจะต้องไปโรงเรียนเป็นบ่อยๆนักนี่หมายถึงว่าการจะทํำบ่อยๆติดต่อกันต้องไปโรงเรียนบ่อยๆต้องอ่านตําราบ่อยๆต้องขยันทําการบ้านบ่อยๆอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นนักเรียนนะ หรือาเป็นนักมวยก็ต้องขยันซ้อมบ่อยๆ อ, ออกกําลังบ่อยๆและนักมวยไม่ขยนันซ้อมไม่ขยันชคแน่นอนที่สุดนั่นไม่ใช่นักมวยนะไม่ใช่นักมวยเป็นนักกีฬาทุกประเภทก็ต้องมีขยันการฝึกซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะเราเป็นสมณะเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ต้องขยันเรียนข ย, นขขยนันศะึกษาขยันปฏิบัติธรรมนะขยันปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็จะมีแต่ความจเจริญเรียกว่าเรารู้จักตัวเองนะเรารู้จักตัวเองฉะนั้น ขอให้เราทุกคนมารู้จักตัวเองกันเมื่อเรารู้จักตัวเองกันแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะไม่หลงตัวเมื่อเราไม่หลงตัวไม่ประเมาไม่ประมาทมัวเมาในตัวเราก็จะทำแต่ในสิ่งที่ดีที่งามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนนั้นประพฤติ ธ, ธรรมของสัตว์บุรุษและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีนะเป็นผู้ดีแปลการที่สี่ มัตตัญุตาความเป็นผู้รู้จักพอดนะีความเป็นผู้รู้จักพอดีก็คือรู้จักประมาณในการประกอบกิจนั้ น, น, นว่าอย่างไรจึงเหมาะนะอย่างไรจึงเหมาะอย่างไรไม่เหมาะนะคุณข้อนี้เป็นเครื่องอุดหนุนให้ทําอะไรได้พอสมควรแก่ประโยชน์และเหตุผลไม่ให้ไไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนเกินไปเรี๋ยว่าไม่ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปนะฉะนั้นอันนี้แหละ จึงจัดว่าเป็นมัตตัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักพอดีรู้จักประมาณนะอันนี้ก็หมายความว่าให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนะคือต้องรู้จักประมาณเอาพอดีบริโภคแต่พอดีอหรือว่าให้รู้จักประมาณในการวาใช้จ่ายทรัพย์นะก็ต้องรู้จักประมาณคือความพอดีกับกําลังทรัพย์ที่หามาได้นะจึงจะเป็นประโยชน์ไม่เช่นนั้นก็ลําบากดัง ปราดทางกวีคือสนทนผู้ท่านก็ได้เขียนไว้ว่ามีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นขราวทั้งให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคราวหวานนี่เห็นไหมอันนี้ปราดในสมยัยก่อนท่านก็ได้สอนไว้แล้ว นะท่านเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมัดตันยุตาแนะนะ่คนเราถ้าหากว่าไม่รู้จักอกินไม่รู้จักบริโภคแน่นอนที่สุดกินมากเกินไปแล้วก็ทําให้อึดอัดอท่าพิการได้อไม่ใช่ท่าพิการอย่างนั้นบางครั้งก็ทําให้เป็นโรคในทางเดินอาหารนะเป็นโรคในทางเดินอาหารได้เอะฉะนั้นต้องรู้จักประมาณในการกินหรือบางทีกินมากเกินไปก็ทําให้เกิดความม่วงเหงาหานอนเหมือนจะคําพูดที่ว่า พอท้องมันตึงแล้วหนังตามันก็หย่อนหนังตามันก็หย่อนแต่นี้ถ้าว่าเรากินน้อยเกินไปนะกินน้อยเกินไปมันก็ทําให้เกิดความหิวกระหายเกิดความกระวนกระวายเกิดความเป็นทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นอีกนะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเป็นโรคกระเพาะอีกได้ฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการกินการบริโภคและอาหารที่เรากินบริโภคเข้าไปนั้นก็ต้องดูว่าเป็นอาหารสะอาดหรือไม่นะเป็นอาหารสะอาดหรือไม่ ensus. บูดหรือไม่เสียหรือไม่ เนี่ยเราต้องให้ควรพิจารณาดูแล้วเราต้องกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะอะไรที่มันมีคุณค่าแก่เราแก่ร่างกายของเราเราก็ควรจะบริโภครับเข้าไปอะไรที่มันไม่มีคุณค่าเราก็อย่าเอารับเข้าไปแต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าจะบริโภคกันในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเช่นอย่างพวกอัลบาเยามุกพวกเดิมของมึนเมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีแต่ทางทําลายทางนั้นหรืออย่างพวกที่ สูตรทินเนอร์อะไรเนี่ยปกสูกกัญชายาเสพตินี่อันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทําลายทางนั้นนะหรือเรื่องการเกี่ยวกับการสูบบุหรี่นี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นการบริโภคอย่างหนึ่งคือเข้าทางปากอันนี้มันก็ถือว่ามีแต่ทุกมีแต่โทษทางนั้นนะยิ่งในทุกวันนี้ก็ทั่วโลกก็มีการอารงณ์เกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ทางนั้นเลยนะแม้แต่เมื่อสองสวันนี้ที่ประเทศอังกฤษเขาก็มีการรดนอารมณ์กันอย่างมาก ถึงกับเอารถไปจอดข้างถนนถ้าผู้ใดขับรถนั่งสุกบุรี่มาก็จะบอกให้หยุดให้สัญญาณว่าหยุดให้ทิ้งบุรี่แม้ว่าจะทิ้งสักวันหนึ่งทั่วประเทศมีการทิ้งบุรี่กันสักวันเนี่ยก็เท่ากับว่าต่ออายุให้ยืนยาวไปอีกนานนะต่ออายุให้ยืนยาวไปอีกนานฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเรานั้นจะต้องรู้จักกินกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้จักเสพเข้าไปอะไรที่มันเป็นโทษจะไปเอาบางคนก็ขอประทานโทษจะกินหนักอกิน กินหินกินดินกินตรวดกินทรายกินกระดาษกินสารพัดไอ้ที่เขาเรียกว่าคอร์รัปชันนะ่ะเราก็เรียกว่ากินนะเรียกว่ากินอีกเหมือนกันอืมฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ากินในสิ่งที่ไม่ควรกินกินไม่เป็นนะกินไม่เป็นฉะนั้นในของใช้สอยต่างๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายซับก็รู้จักประมาณนะถ้าเราไม่รู้จักประมาณแน่นอนที่สุดเราอาจจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความลบาบากยิ่งเกิดในภาวะนําท่วมเราต้องประหยัดให้มาก นีประหยัดให้มากหรือเกิดในภาวะสงสารต่างๆเนี่ยเราจะต้องรวบรวมทรัพย์เสเบียนกลางต่างๆเอาไว้ถ้าว่าเราใช้ไม่ประหยัดแล้วเราอาจจะหมดในยามนั้นแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากจะออกไปขมาหากินที่ไหนมันก็ไม่สะดวกนะมันไม่สะดวกก็อาจจะทําให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความหายนะได้ฉะนั้นพระพุทธองค์ได้จัดไว้ในหัวใจเศรษฐีในข้อสุดท้ายว่าสมชีวิ ต, ตาให้รู้จักเลี้ยงชีวิตไม่พุ่มฟุยนักไม่ให้เปิดเครื่องนัก อ่าย้ายฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปอย่าให้ขาดแคลนจนเกินไปบางคนก็แปลกเหมือนกันนักเรียนนักศึกษาและผู้ฟังทั้งหลายทั้งๆที่เรเป็นคนอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่ายอมกินอดกดอยากๆเพราะว่าเขากลัวทรัพย์จะหมดไปนี่อันนี้มันก็เกิดไปนะไอ้ช น, นิดที่เรียกว่าปราโทูตัวนึงนี่อ่ากิน กินในครอบตัวสามสคนนี้กินได้มื้อหนึ่งเลยนะอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเกินไปนะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในภาวะที่เกิดบ้านเมืองเกิดมีปัญหาต่างๆนะเกิดขาดแคลนหรือเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าควรทําแต่ว่าธรรมดามันก็เกินไปนะบางคนนี้ก็เกินไปส่วนบางคนก็ใช้จะฟุ่มเฟือยเกินไปนะเกินฐานะตัวเองเรียกว่า ได้ห้าก็ใช้สิบได้สิบก็ใช้สิบห้าได้สิบห้าก็ใช้ยี่สิบนะอันนี้ก็เป็นทางให้เกิดความหายณะเหมือนกันเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีแห่งการจับใจใช้สอยในสิ่งต่างๆฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักประมาณรู้คำว่ารู้จักประมาณก็คือรู้จักพอดีความพอดีนั่นแหละดีความพอดีนี้บางทีก็มาใช้คาหนึ่งก็คือคาว่าสันโดษนะสันโดษ สันโดษก <Yes, S 1> ็คือความยินดีตามที่ตนมีตนได้ตนใช้เรียกว่าบางอย่างเราก็เรามีอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นกินอย่างนั้นเราได้อย่างไรก็ใช้อย่างนั้นกินอย่างนั้นแล้วก็ของที่เราได้มานั้นบางครั้งมันก็ควรแกเราควรแกเราบางอย่างมันไม่ควรแกเราเราก็ไม่ควรยินดีก็เอาไปเฉลี่ยให้กับคนอื่นบ้างบางคนแม้ว่าตนเองจะกินไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ยังหวงแหนไม่ยอมให้คนอื่น ไม่ยอมเฉลี่ยหรือแบ่งปันให้กับผู้อื่นอันนี้มันก็เขาเรียกว่าคนไม่รู้จักพอดีทั้งๆที่ว่าตัวเองก็ไม่กินไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังสะสมเอาไว้มันไม่เกิดประโยชน์เลยอยู่แก่เราไว้ฉะนั้นอันนี้แหละเราควรจะรู้จักประมาณฉะนั้นคนที่รู้จักประมาณก็คือคนที่รู้จักความพอดีให้ความพอดีนั่นแหละคือดีนั่นแหละคือทําให้คนเป็นคนดีฉะนั้นนี่แหละจึงเป็น จึงเรียกว่ามัดตันยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณจัดว่าเป็นหนึ่งในธรรมธรรมของจัตบรุษ น, ะะนั้นมาในข้อที่ห้าข้อที่ห้าก็คือกาลันยุตากาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการถ้าคำว่ารู้จักการก็คือว่ารู้จักเวลาพอสมควรในอันประกอบอกิจต่างๆข้อนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราทำอะไรได้ผลอันไพบูร หรือที่เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าในกิจที่ทำคำที่พูดใดๆมากจะมากจะน้อยก็ต า, ามก็ต้องเนื่องโดยการเวลาช้าไปก็มีโทษเร็วไปก็มีโทษมีโทษถึงจะทำดีทำได้แต่ก็ไม่ให้ผลเต็มที่จึงมีสุภาษิตแย้งกันอยู่ว่ารีบพายเข้าเถิดตลาดจะวายเสีย อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าช้าไปช้าไปดัะนั้นบางที่ก็บอกว่า อน้ำขึ้นต้องรีบตักนน้ำขึ้นต้องรีบตักนี่ฉะนั้นถ้าหากว่าไอตอนน้ำขึ้นไม่รีบตักมันก็ช้าไปหรือที่เรียกบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นี่เขาเรียกว่าทําอะไรก็ช้าไปอีกเหมือนกันหมัวแต่รีรีเราๆจดจดจ้องจ้องช้าไปอืมฉะนั้นเราจะต้องที่ตรงเรียกว่าต้องทําอะไรให้ให้รู้จักคุณค่าของเวลาน ให้รู้จักเวลาให้รู้จักคุณของเวลาแล้วก็ทาทาให้ถูกเวลาทําให้เสร็จทันเวลาทําให้เสร็จทันเวลาแล้วก็ทําเวลานั้นให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคนที่รู้จักการเวลาเขาย่อมไม่ไม่พลาดประโยชน์ของตัวเองและก็ไม่พลาดประโยชน์ของคนอื่นฉะนั้นคนเราโดยมากพลาดประโยชน์ของตนเองเพราะเพราะประโยชน์ของคนอื่น ก็คือไม่ใส่ใจในหน้าที่การงานของตนแต่ว่ากลับไปสนใจในกิจการของผู้อื่นนอะ น, นี้ไม่ถูกไม่ต้องนฉะนั้นหากว่าเราทุกคนนั้นสนใจในหน้าที่ของตัวเองก็คือเท่ากับว่าไม่ทําชีวิตนี้ให้ปราศจากประโยชน์เช่นว่าตั้งใจเมื่อยังอยู่ในปฐมวัยก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาเมื่ออยู่ในวัยกลางคนเมื่อเรียนศึกษาจบแล้วก็ขยันทํากิจการงาน ที่ตนไดก้กระทําอยู่นะทำในกรมกองต่างๆหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็วต้องขยันทํากิจการนั้นแล้วก็เมื่อในวันปลายของชีวิตในมัดปัดฉิมวัยเราก็ต้องขยันทําบุญทาทานไปด้วยนะอันนี้แล้วเท่ากับว่าเราเร า, เรารู้จักการเวลานะว่าการเวลานี้เราควรทําอะไรเวลานี้เราควรทําอะไรเราควรจะแบ่งเวลาเพราะเวลากลางวันเขาก็มีให้สิบสองชั่วโมงกลางคืนก็มีให้อีกสิบสองชั่วโมงฉะนั้นเวลามีมากแต่คนเรานั้นรู้สึกว่าจะ ค่าเวลานะค่าเวลาฉะนั้นไอ้วันและคืนที่มันหมดไปหมดไปนั่ะนะมันก็อมันไม่ได้หมดไปแต่วันคืนเท่านั้นมันยังเกินเอาชีวิตของเราไปด้วยไอ้การเวลาเนี่ยมันไม่ใช่หมดไปวันวันมันยังเกินเอาเอาชีวิตของสัตว์ของมนุษย์ไปด้วยเอาอายุไปด้วยฉะนั้นนี่ก็ใกล้จะหมดปีนะใกล้จะหมดเดือนนะเอ้ยเรารู้สึกเออนี่ไปอีกเดือนแล้วนะนี่ไปสองเดือนเลยนะเนี่ยชีวิตเราแก่ขึ้นไปเรื่อยอ้าวหมดไปอีกปีแล้วนะเราก็แก่ไปอีกปีหนึ่ง อที่เราอยู่ได้ก็นับว่าเรามีบุญวาสนามากแล้วนะมีบุญวาสน า, ากอ่ามีบุญกุศลส่ง much ฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปนังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไปว่าอจเจนติการาตะระยันติรติโยวโยกุณังอนุปุปังชันติที่บอกว่าวันและคืนล่วงไปราตรีก็ผ่านไปนะชีวิตแห่งวัยก็ล่วงไปเป็นลาดับบัดนี้ท่านทาอะไรอยู่นี่ เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นทํางานแข่งกับเวลานะแล้วก็ทําเวลาให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมประเทศชาติอย่างนี้จะได้ชี้ว่าเรานั้นมีกาลัญยุตาก็คือความเป็นผู้รู้จักการนั่นเองนะทีนี้มาประการที่หกก็คือว่าให้เรานั้นรู้จักประชุมชนก็คือปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนนะรู้จักประชุมชนก็คือว่ารู้จักสมาคม รู้จักสมาคมว่าสมาคมใดเราควรจะเข้าไปอย่างไรจะทําอย่างไรจะพูดอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเรารู้จักสมาคมนะและจะแสดงกิริยาและต้องประพฤติต่อสมาคมนั้นๆอย่างไรไม่ให้ขัดข้องต่อความนิยมหรือขนมรำเนียมประเพณีของเขาไม่เห็นแก่ตัวเองเวลาที่อยู่ในที่ประชุมนั้นเราก็ต้องเคารพในที่ประชุมนะสรุปแล้วก็คือว่าให้เรารู้จักรักษากิริยาเมตยามิใหเสียหายเกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นๆ อันนี้ก็เท่ากับว่าให้เรารู้จักปร um. ับตัวเองเข้ากับสังคมได้ท Israel. re ุกสังคมเพราะว่าในสังคมของคนเรานั้นแต่ละแห่งนั้นย่อมไม่เหมือนกันนะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนะไม่เหมือนกันสังคมทางภาคเหนือก็ไปอย่างสังคมภาคใต้ก็ไปอย่างสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปอย่างสังคมภาคตะวันออกก็ไปอย่างภาคกลางก็ไปอย่างไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นได้ คนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นได้นั่นแหละเป็นคนฉลาดนั่นแหละเป็นคนดีแต่ว่าคนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้นั่นแหละคือคนคนไม่ดีคนไม่ฉลาดอย่างนี้ก็มีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนนะมีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนเช่นว่าเราจะไปภาคอีสานภาคอีสานนะบางครั้งมันก็แห้งแรงนะแห้งแล้งหรืออาหารการกินของเขาก็ที่เห็นก็คือมีพวกปลาอะไรนี่เป็นพื้นนอยู่เป็นประจํานะก็เหมือนกับน้ำพริก ของคนในภาคกลางหรือของคนทั่วทวไปนี่คนไม่กินเวลาก็อาจจะไปแหมไปว่าเขาได้ปรับตัวเขาได้อ่านั้นบางครั้งเราต้องปรับตัวต้องปรับตัวหรือว่าเราเราต้องดูว่าในขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้านนั้นอก็ย่อมมีแตกต่างกันไปเราก็ต้องทําให้ได้ถ้ า, าว่าเราไปทําผิดประเพณีหรือไปผิดที่เข้าแน่นอนที่สุดเราก็จะได้อรับทุกขรับโทษถูกติชินนินทาหรืออาจจะถูกจองจําถึงที่สุดก็อาจจะรุมจัดถูกเขา อารมณตีอารมด่าอารมณว่าหรือรามค่าตายก็ได้ก็เพราะมันไปผิดประเพณีผิดขนบธรรมเนียมเข้าเข้าฉะนั้นอันนี้แหละเราจึงต้องรู้จักประชุมชนหรือเราเข้าในที่ประชุมอันใดนี้เราก็ต้องว่าการเข้าในที่ประชุมนั้นจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องไม่คุยเสียงดังนะจะต้องไม่คาบทะเลจะต้องไม่โศบุรีถ้าจะโศบุรีคาบทะเลก็ต้องขออนุญาตออกมาข้างนอกนะออันนี้สําคัญนี่เราต้องรู้จักที่ประชุมนะคนใดคนจะลุกไปคนจะพูดยังไง อ่าอันนี้นี่เป็นลักษณะของคนดีเป็นลักษณะของฉลาดดังนั้นการที่เราทําอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นคนมีปริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่เจ็ดนะข้อที่เจ็ดก็คือปุคละปโรปรำยุตตาก็คือความเป็นผู้รู้จักบุคคลในคําว่ารู้จักบุคคลก็คือรู้จักฐานะของบุคคลอ่าที่เรียกว่าที่เขายิ่งกว่าเราหรือย่อนกว่าเราอ่าหรือว่าเสมอกับตัวเราก็เลือกคบ อ่าเลือกใช้ให้ถูกต้องอาตามฐานะตามนิสัยใจขอของบุคคลนั้นการที่บุคคลได้รู้จักอย่างนี้แน่นอนที่สุดจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครจะอย่างไรแน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคือคนเรานี่ต้องใช้ให้เป็นเราต้องรู้จักจิตใจของเข า, าบางคนนี่ชอบคอออํายกยกยอยอเราก็ต้องยอออย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์มากงานนั้นก็สําเร็จลุล่วงได้ดี แต่นี่คนที่ชอบอยอเราไม่ยกเราเราไปกระโชกหกห้าก็ทําให้เขานั้นไม่มีกําลังใจจะทํางานหรือดีไม่ดีก็คือทําให้งานนั้นเสื่อมเสียไปมากนะประโยชน์ที่เราจะได้ดีมันก็เลยพลอยเสียไปด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตนกับผู้น้อยอย่างไรปฏิบัติตนกับผู้ใหญ่อย่างไรอ่านะแล้วคนเสมอกันเราต้องปฏิบัติอย่างไรนี่ก็คือว่าการที่เราได้รู้จักเลือกคบคนว่านี่คนดี เราก็วางตัวไปอีกอย่างหนึ่งคนไม่ดีเราก็วางตัวไปอีกอย่างหนึ่งะฉะนั้นคนดีเราก็ควรครบคนไม่ดีเราก็ไม่ควรครบนี่ต้องเลือกคบเหมือนกันเพราะการครบคนที่เรียกว่าไม่ดูอ่านิสัยใจคอก็จะนํามาซึ่งความทุกข์และโทษดังโบราณเราบอกว่าคบคนต้องให้ดูหน้าซื้อผ้าต้องดูเนื้อนี่เดี๋ยวต้องดูหน้าก่อนว่าหน้านี้มันจะเป็นหน้ามนุษย์หน้าคนหรือเปล่าหน้าไว้ใจได้หรือเปล่าถ้ามัน ไม่ใช่อย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจซื้อผ้าก็ต้องดูเนื้อว่ามันเนื้อดีไหมออย่างนี้จะถูกหลอกถูกต้องหรือเปล่านี่ฉะนั้นคนโบราณจึงฉลาดนะจึงฉลาดมากถึงบางทีก็ยังบอกว่าเวลาใครจะมีคู่ก็ต้องไม่ใช่ศึกษาดูแต่คนที่เรารักเท่านั้นต้องดูไปถึงปู่ตายายายอนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าจะซื้อจะดูวัวก็ใหดูที่หางจะดูนางก็ต้องดูที่แม่จะดูให้แน่ก็ต้องดูถึงตาถึงยายนี่ต้องดูไปถึงอย่างนั้น ฉะนั้นนี่แหละที่บอกว่าการครบกันนั้นจะต้องรู้จักนิสัยใจคอและต้องรู้จักฐานะต้องรู้จักเลือกคบบุคคลและการจะใช้ใครนั้นก็ต้องรู้นิสัยใจคอของผู้นั้นมีนิสัยอย่างไรบางคนที่ชอบพูดความจริงบางคนไม่ชอบพูดความจริงนะบางคนก็ชอบพูดสนุกสนานบางคนก็ไม่ชอบพูดสนุกสนานานะอนนนันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ได้ก็จะเรียกว่าเรานั้น เป็นคนมีปุคละประโรปรมยุตาก็คือความเป็นผู้รู้จักบุคคลเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาล ะ, เ, าละเกี่ยวกับบรรยายในสัพ์พฤติธรรมเจ็ดประการมาก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาถ้าผู้ใดได้ประพฤตปฏิบัติผู้นั้นจะไม่มีแต่ความเสือ่อมมีแต่ความเจริญและผู้นั้นจะไม่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่ความสุขลูกเดียวนะมีแต่ความสุขอย่างเดียวฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาเป็นคน รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักประชุมชนรู้จักเลือกคบบุคคลแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์มีแต่สุขชั่วนิพนธ์รันดอนฉะนั้นการบรรยายสัพพุริสธรรมเจ็ประการมาก็พอสมวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องศัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างอีกอย่างหนึ่งนะเพราะเมื่อคราวก่อนนั้นได้พูดถึงเรื่องศัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างซึ่งในบทนี้ได้มีศัพพุริสธรรมอสองอย่าง นะซึ่งไม่เหมือนกันสัพพุทธธรรมในในในต้นนั้นก็หมายถึงว่าให้เรารู้จักรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักประชุมชนรู้จักเลือกคบบุคคลแต่ว่าสัพพุทธธรรมที่จะพูดในวันนี้นั้นก็หมายถึงว่าเป็นธรรมของสัตว์ปรุษลัดนะประกอบด้วยธรรมเจ็ดอย่างคือหนึ่งมีศรัทธานะมีศรัทธาสองมีความละอายต่อบาป มีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นคนได้ยินได้ยินได้ฟังมามากเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญานี่เป็นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะปรึกษาสิ Net ่งใดกับใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นข้อที่สามจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นข้อสี่จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น ข้อห้าจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อืน่นข้อหกมีความเห็นชอบมีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นข้อเจ็ดให้ทานโดยความเคารพคือเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แกอคนทั่วไปนะและผู้ที่รับทานนั้นก็แน่นอนที่สุดย่อมจะมีความสุข ก, กายสบายใจนะย่อมเป็นที่รักของผู้ให้นะอันหนึ่ง ผู้ที่ศึกษาทำเจตการนี้จะได้ชื่อวาอ่าเป็นลักษณะของสัตว์บุรุษลดท่านผู้เป็นสัตว์ุระหก็ย่อมประ ก, กอบด้วยลักษณะเจตการคือท่านมีองค์คุณเหล่านี้แนบสนิทอยู่ในจิตในใจแล้วก็แน่นอนที่สุดท่านก็จะมีแต่ความเจริญเรามาดูในข้อแรกที่บอกว่า ต้องเป็นคนมีศรัทธาข้อแรกก็คือต้องเป็นคนมีศรัทธามีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นคนได้ยินได้ฟังมามากเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาเพียงข้อเดียวแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปราบได้แล้วะเป็นนักปราบได้แล้วคนถ้ามีศรัทธาก็คือมีความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันนี้ก็พูดมามากเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ก็คือเชื่ อ, อยังมีเหตุมีผลนะเชื่ อ, อยังมีสติเชื่ อ, อยังมีปัญญาไม่ได้เชื่อด้วยความงมงายนะทุกวันนี้คนเราก็มักจะเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะเช่นว่าบางทีก็ไปเชื่ อ, อเกี่ยวกับเรื่องหมอ ด, ดูเรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องดวงอันนี้แหละมันจึงเป็นเหตุให้เกิดความหายนะกันหมดนะหายนะกันหมดบางครั้งนี่เราจะปลูกบ้านมีเงินทองเตยมเพราะไมแล้วนะแต่ว่า ไม่เชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาก็เลยไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าปีนี้ยังปลูกไม่ได้ต้องไปทีหน้าปีนี้ดวงไม่ดีก็เลยไม่พร้อมก็เลยไม่ปลูกเมื่อไม่ปลูกไว้จนถึงปีหน้าเงินก็เลยหมดพอดีนะอาจจะหมดด้วยการใช้ใจ่ายหรือว่ามีเหตุการ์เจ็บป่วยหรืออาจจะใครขอยยืมไปหรืออาจจะถูกโจรต้นไปเลยก็ได้ฮนะนี่เพราะอะไรก็เพราะไม้เชื่อไอ้เรื่องเลิกเรื่องยามนั่นเองนะหรือบางครั้งเราก็ มีความรักกันจะแต่งงานกันเึิ่งพร้อมอยู่แล้วจะแต่งเมื่อไรก็ได้แต่ว่าเราไม่เชื่อนะไม่เชื่อตามหลักกรรมไม่เชื่อตามหลักกรรมไม่เชื่อตามหลักธรรมก็เลยไปหาหมอดูว่าคนนี้ไม่ดีแต่งไม่ได้ถ้าแต่งแล้วจะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความหายนะอ้าวผลที่สุดก็ต้องแยกเลิกร้างกันไปทั้งทั้งที่รักกันปานจะกลื่นรักกันปานจะขาดใจ แต่คนที่เราไม่ได้รักกันจริงๆนั้นกลับไปดูบอกว่านี่ะเป็นเนื้อคู่แท้ผลที่โสดแต่งกันแล้วก็อยู่ไม่ยืดอยู่ไม่นานนี่เพราะแต่งอด้วยใจไม่รักแต่เราเอาเลิกเอาดวงมาสมพงกันแต่เพียงเท่านั้นนี่มันก็เกิดเป็นสิ่งที่หายนะอีกเหมือนกันเป็นสิ่งที่หายนะอีกเหมือนกันฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธองค์จึงบอกว่าให้เราเชื่อกรำเชื่อกรำแล้วก็อเชื่อผลของกรรมเชื่อว่า เชื่อว่าทําดีต้องได้ดีและเชื่อว่าเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของของตนเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่ อ, อยังมีเหตุมีผลแล้วก็เชื่อพระปีชายาณของพระพระต ถ, ถาธิกดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้จริงเป็นผู้อรู้แจ้งโลกเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่จะหาบุคคลมาเปรียบไม่ได้ฉะนั้นเชื่ออย่างนี้เราเรียกว่าเชื่อด้วยเหตุด้วยผลนใช้ได้นฉะนั้นขอให้เรานั้น จงปลูกความเชื่อให้มั่นคงนะให้มั่นคงตามหลักในสีอย่างนั้นคนที่มีความเชื่อมั่นคงแน่นอนจะทําอะไรก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขทางนั้นพระองค์จึงได้ตรัสไปว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตานะคนมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างนะนั้นพระพุทธองค์จะบอกว่าศรัทธานี่แหละเป็นเพื่อนที่สองนะเป็นเพื่อนที่สองหมายถึงว่าที่จะติดตามตัวเราไปทั้งใน พบนี้และพบหน้านะฉะนั้นคนที่มีศรัทธานี้เท่ากับว่ า, ามีสหายที่ดีนะเพราะการทําอะไรนั้นประกอบกิจต่างๆนานานั้นจะต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสเป็นเบื้องต้นนะฉะนั้นศรัทธานี้แหละจึงเป็นตัวจูงจิตใจของเรานั้นให้ไปในทางที่ดีจูงจิตใจให้เรานั้นเอาไปแต่ในบุญทานการกุศลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องประกอบด้วยเหตุด้วยผลต้องประกอบด้วยสติปัญญา ถ้าหาว่าขาดปัญญาแล้วแน่นอนที่สุดก็อาจจะไปเชื่อในสิ่งที่ผิดได้นะก็มีเยอะบางคนก็ไปหลงทำสเสน่หนะ์อ่าไปหลงทำสเสน่ห์ผลที่สุดที่ได้รับ ก, ก็กลายเป็นสเสนีย์ไปเลยนะมันผิดมันผิดสเสน่ห์มันผิดหลักธรรมมันผิดหลักะคาสั่งสอนของพระพุทธองค์นะมันก็อที่ว่าเป็นสเสน่ห์มันก็กลายเป็นสเสนีย์ไปนะฉะนั้นสเสน่ห์นะั้นมันอยู่ที่ตัวเราอนะ่อยู่ที่ตัวเราทําดี เราพูดดีก็เป็นสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ที่ปากเราทำดีก็เป็นสเสน่ห์ที่กายเราคิดดีมันก็เป็นสเสน่ห์ที่ใจเราพูดดีทดําดีคิดดีมันก็เป็นสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วเราตั้งใจเรียนศึกษาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานโดยไม่ให้บกพร่องอันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ใตัวเราถึงแม้จะรูปไม่สวยหรือผิวพรรณไม่งดงามแต่ขอให้เราตั้งใจทาดีทาดีกับตัวเองทาดีกับผู้อื่น ขยันเหล่าเรียนศึกษาขยันทำกิจการงานขยันทำบุญสุนทานนี่แหละมันก็เป็นเสน่ห์นะไม่ใช่จะต้องไปเอาเอาแป้งเอาน้ํามันเอาทองมาปิดโนอดปิดนี่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะนี่ไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะอันนี้เคยมีปัญหานะเคยมีลูกมีดาราอทางภาพยนตร์ทางจอจอแก้วแล้วก็ทางจอเงินจอแก้วที่อภรรยาตั้งครรภ์แล้วก็ <P an> ไปให้หมอดูไว้ว่าหมอดูนั้น coward, ลูกคนนี้จะต้องเอาออกก่อนกําหนดถ้าหากว่าถ้าไปให้คลอดตามกําหนดแล้วลูกนี้จะทําให้เกิดความเสื่อมทราม <S <S ให้เกิดความเสื่อมทรามเกิดความหายนะฉะนั้นก็คือว่าอก็เลยปรึกษากันว่าต้องเอาออกก่อนกําหนดก็เลยไปให้หมอผ่าตัดผลที่สุดลูกนี้ก็ตายนี่ลูกนี้ก็ตาย้ของอะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาตินั้นถูกต้องแล้วจะต้องไปออกก่อนกําหนดอะไรนะนี่แล้วเชื่อในสิ่งที่ผิดอในสิ่งที่ผิด คนบอกก็ผิดพลาดนะผิดพลาดคนบอกก็ถือว่าขอประทานโทษจะมีความงมงายมากนะงมงายมากเหมือนกับว่าเป็นคนที่ตาบอดแล้วก็ยังจะไปจูงคนตาบอดไปแนะนําเอาคนที่ตาบอดจะมาพึ่งพาอาศัยเรามันก็เลยบอดกันยกใหญ่นะไอ้คนตาบอดก็เลยไปสอนคนตาบอดมันก็บอดยกใหญ่เลยนั้นเมื่อเขามาหาเราเขาข อ, ขอความแสงสว่างเราควรจะให้ปัญญาแกเขาให้แสงสว่างกับเขานะอย่าไปให้เขาโง่อย่าไปให้เขางมงายมากยิ่งขึ้น นะนั้นเราต้องช่วยกันนะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สําหรับผู้ที่มีความสัมันธ์เกี่ยวกับเรื่องหมอ ด, ดูภพดวงต่างๆก็ควรจะเอาไปพิพจรารณานะอะไรอที่มันควรก็ควรจะแนะนําไม้ที่มันไม่ควรก็บอกไปตรงๆยิงอยู่วิชานี้แนมะ้แต่ว่าเป็นวิชาลิ้ลับที่มันเป็นจริงก็มีนะที่ไม่เป็นจริงก็มีแต่ว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญนะไม่ทรงสรรเสริญเพราะจะทําให้คนมัวเมาประมาทในการ ในวัยแล้วก็ในการดํารงชีวิตอีกด้วย น, นี่เป็นเรื่องความเชื่อและยิ่งไปกว่านั้นการดํารงชีวิตของคนเราถ้าหากว่ามีความละอายกใจมีความเป็นภัวต่อบาปนีมีความละอายกใจมีความเป็นภูตต่อบาปแน่นอนที่สุดโลกนี้ก็จะเจริญเพราะว่าทำสองประการนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองโลกถ้าหากว่าชาวโลกเอาชาวโลกทุกคนมีความละอายนะ ต่อความชั่วที่จะเกิดทางกายวาจาใจต่อทุจริตที่จะเกิดทางกายวาจาใจมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะเกิดจากทางกายวาจาใจแล้วก็ไม่ทําความชั่วแน่นอนที่สุดอย่างนี้อผู้ใดประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญสังคมใดประพฤตปฏิบัติสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเจริญประเทศชาติใดประพฤติปฏิบัติประเทศนั้นก็จะมีเตอความเจริญคนถ้ามีความละอายแก่ใจมีความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อเวรต่างๆอันนี้ ถึงไม่มีกฎหมายก็ก็ถือว่าอยู่เหนือกฎหมายนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นกฎหมายแห่งธรรมะนะเป็นกฎหมายแห่งธรรมะที่เหนือกฎหมายทั้งปวงนะดัะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงทําอะไรก็ได้ปรารบรฐานะปรารสชาติวงศตระกูลยศจับว่าตัวเองมีชาติเป็นอย่างไรมีตระกูลเป็นอย่างไรมีเพศเป็นอย่างไรอแล้วก็มีศักดิ์ศรีเป็นอย่างไร คิดว่าถ้าเราทําอย่างนี้ทําทําชั่วไปแล้วก็จะทําให้เสื่อมเสียชาติเสื่อมเสียวงศตระกูลเสื่อมเสียยศศักดิ์เป็นที่จิตทนินทาอ่าไม่สมควรทำแก่เราอ่าเราเราไม่สมควรทําอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ทําจัดว่าเรามีความละอายแก่ใจในเราเกรงกลัวต่อบาตอย่างนี้เลยจะได้ชื่อว่าาเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมของนักปราชญ์หรือว่าเป็นธรรมของผู้ดีะเป็นธรรมของผู้ดีหรือว่า ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราได้มีโอกาสเป็นคนในศึกษาสับตับฟังมามากนะการที่ได้เป็นผู้ศึกษา ส, ะสะระตับฟังมามากแน่นอนที่สุดเราจะย่อมมีประสบการณ์มากนะได้เปรียบคนอื่นนะได้เรียนมากในศึกษามากคนที่เรียนแก่ปริญญาตรีคนเรียนปัญญาโทก็ได้เรียนมากกว่าคนเรียนดเอกก็ย่อมสูงขึ้นไปอีกด้วยนะใช้เวลาเรียนมากก็ย่อมเรามีประสบการณ์มากนะแต่บางคนก็ ได้เรียนตามโรงเรียนน้อยตามมหาวิทยาลัยน้อยแต่ว่าได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์กับการดำเนินชีวิตมากได้ยินได้ฟังมามากเพราะว่าการเรียนนั้นแน่นอนที่สุดไม่ใช่ว่าการเรียนจะเพาะมีแต่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะว่าโลกนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยฉะนั้นการที่เราได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็เรารู้จักกำหนดจดจำรารู้จักสังเกตบ้านเมืองของแต่ละคนเขาจเจริญยังไงไม่ตีจังไร ก็เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอามาเป็นข้อคิดในการที่จะประกอบผิดน้อยใหญ่ต่างๆเข า, ามีอาชีพทําอย่างไรเขาเจริญอย่างไรเนี่ยอย่างเราจะไปเห็นอย่างญี่ปุ่นนี่ก็เจริญเป็นเมืองอุตสาหกรรมเราไปเราก็ได้ศึกษาเราเรียนหรือว่าเราไปเห็นทางยุโรปนั้นเขาก็มีความเจริญในด้านวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เขาก็มีความเจริญมากนี่เราก็ต้องเท่ากับว่าเราได้ศึกษาศึกษาโดยธรรมชาติ การที่เรารู้อย่างนี้ไม่มีเขียนในตำรานะไม่มีเขียนในตำราฉะนั้นถือว่าเป็นความรู้ที่ดีที่หาได้ยากฉะนั้นเราทุกคนควรควรจะเป็นคนสังเกตควรจะเป็นคนจดจํานำะไปที่ไหนไม่ใช่ว่าดูผันผ่านไปเท่านั้นนะเราจะต้องดูให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็จําเอาไว้บันทึกเอาไว้นะอันนี้แหละดีมากนะฉะนั้นคนจะเป็นนักปราชญนะ์ในการเรียนรู้อะไรนั้นจะต้องถือหลักว่านะสุจิปุลนะิก็คือว่าเป็นผู้ที่ ฟังมากแล้วก็คิดแล้วก็รู้จักคิดแล้วก็รู้จักถามในข้อสงสัยแล้วก็จดบันทึกเอาไว้กันลืม อ, อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์นอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมเราเป็นสมณะเป็นตระสงอ ง, องเลนก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมทั้งในด้านประยัดปฏิบัติก็คู่กันไปดังนั้นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เรานั้น ได้ถึงปฏิเวทได้นะได้มรด้ผ ล, นนลได้นิพพานได้นะเพราะพระพุทธองค์ก็ได้กลัดไว้แล้วว่าตราบใดที่พุทธบริษัทยังปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐ า, านอยู่ก็คือพิจารณาการเวทนาจิตธรรมตราบนั้นโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยแต่ถ้าหากว่าตราบใดที่พุทธบริษัทยังไม่พาการศึกษา เ, าเรียนรู้ธรรมวินัยแน่นอนที่สุดทั้งประยัดปฏิบัติมันก็จะอันตรธานหายไป น, นั่นก็ถึงความหายนะกของเรื่องศาสนาฉะนั้น เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้ควบคู่กันไปนะเราจึงจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและจะได้ชื่อว่าเป็นพระผู้สูตรนะมาในขั้นต่อไปก็คือว่าเป็นคนมีความเพียรนะแน่นอนที่สุดพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าวิญญยณทุกขมักเจติคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรอุทัาตาวินเตเตธนังคนกยันย่อมหาทรัพได้เนะีนะ่ย อุทานสัมปทาคนถึงพร้อมเลยความขยันก็ได้ชี้บอกเป็นหัวใจเศรษฐีจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความร่ำรวยฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรเราจะร่ำเรียนศึกษาอะไรถ้าหาว่าเราไม่ขยันหมั่นเพียรแน่นอนที่สุดเราจะรู้ดีไม่ได้น ะ, อะนอกจากรู้ดีไม่ได้แล้วก็จะสอบไม่ได้อีกด้วยดีไม่ดีก็ถูกทางโรงเรียนเขาไล่ออกหรือถูกหลีดถ่ายถูกหลีดถ่ายไปฉะนั้นเราจะประกอบกิจการงานอันใดก็เหมือนกันเราจะต้องขยันหมั่นเพียรทํากิจการงานอันนั้น ด้วยความพอใจเช่นอยู่ในหลักของอิทธิบาทสี่คนเครื่องที่ทําให้สําเร็จสมประสงค์สี่อย่างคือหนึ่งฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นๆสองวิญญาะความเพียรจะยันบักบันในสิ่งนั้นๆสาจิตตะเอาใจใส่ในสิ่งนั้นๆสี่สี่ 4. วิมังสาความใช้ปัญญาติตรองพิจารณาสิ่งนั้นๆแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทําอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะพ้นจากความทุกข์สำเร็จ ในสิ่งที่เราปรารถนาสมประสงค์ทุกประการฉะนั้นเรื่องความเพียรนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าเป็นนักปฏิบัติก็คือต้องเนืองเพียรระวังละบาปอย่าให้เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังละละบาปอย่าให้เกิดขึ้นในจิตใจสองเพียรระวังเพียรละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปก็คือว่าเพียรละไอ้พวก โ, กโรกหลงเนี่ยอย่าให้เกิดขึ้นในจิตใจคอยระวังระวังอารมณ์ระวังไว้ไหนเมื่อตายเห็นรูปหูฟังเสียงหู จมกูกลเขืนลิ้นลิ้ม ล, ล, ลดกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่เราจะต้องระวังนะคอยรู้ตัวอย่าให้เกิดความชอบอย่าให้เกิดความชังอันนี้แหละได้ชื่อว่าเราเพียรละระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปก็คือเช่นเป็นคนมีความเห็นแก่ตัวเป็นคนมีความเจตน์ก็ต้องเป็นคนขยันให้ทานทำบุญใส่บาตรช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นหรือว่า เราเป็นคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายก็ต้องเป็นคนมีเมตตาต้องไปนคนรักษาศีลนะต้องไปนคนรักษาศีลหรือว่าเราเป็นคนโง่อนะงวกเขาเบาวัญญาไม่ค่อยรู้ดีรู้ชัว่วยเราก็ต้องพยายามมันอบรมศึกษาอเจริญส ม, มาธิปฏิบัติธรรมเรียนให้มากรู้ให้มากทำให้มากหรือว่าเราพยายามศึกษาหรือว่าปฏิบัติตามพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแน่นอนที่สุดอันนี้ก็จะทําให้เรานั้นเกิดสติปัญญาจะได้ชื่อว่า คนที่มีความเพียรแล้วก็สามารถที่จะอจะสมประสงค์ในสิ่งที่ตนตั้งหนาได้และประการต่อมาก็คือว่าให้เรานั่นเพียรสร้างาบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจะสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจสิจ่งใดที่เป็นความดีก็พยายามประกอบกิจอย่งนั้นๆแล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เสื่อมไปก็พยายามทําความดีอยู่เรื่อยๆทําทความดีอยู่เรื่อยเช่นว่าอาจริงต่อ จริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อเวลาจริงต่อบุคคลจริงต่อวาจาจริงต่อความดีนี่เราจะต้องทําอยู่บ่อยๆให้เราทุกคนนั้นเป็นคนขยันเป็นคนประหยัดเป็นคนสุขสัตต์เป็นคนมีความอดทนเป็นคนกระตัญญูอย่างนี้แหละแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องเพียรทําอยู่เรื่อยๆมันจึงจะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราคลายความเพียรจะแล้วแน่นอนที่สุดก็เป็นทางแห่งความหายนณะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในอบยัยมุขว่าความเป็นคนเกียรคร้คานก็เป็นทางไายนณะ รือสิ่งที่ปิดกั้นในเราบรรลุความดีที่อยู่ในนิวรณ์ห้าก็คืออ่าความอาอุัตจักกุกุ จ, จักตัวนี้เองนี่เนี่ไอตัวความฟุง้งซ่านลำคันใจโกรเกตคันเบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไรหรือตัวถีนามิทะนี่ก็เป็นตัวตัวไม่ยินดีในการประกอบกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่าง น, นี่ก็เป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความชิดหายหรือว่าอยู่ในเหตุแห่งความชิดหายถิดว่าเป็นคนนอนตื่นสายนะเป็นคนเกลียดข้านอ่า แล้วก็เป็นคนนอนนานเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความความทิดหายอีกเหมือนกันฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นผู้มีความเพียรตามหน้าที่ของตนตนมีหน้าที่อย่างไรมีอาชีพอย่างไรก็ขยันทาความเพียรอันนั้นในทางที่ชอบอในทางที่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็จะเกิดประโยชน์เกิดความสุขแกเราเป็นอนเนกประการประการต่อมาก็คือเป็นคนมีสติมั่นคงนะเป็นคนมีสติมั่นคงคนมีสติมั่นคงก็ครูเป็นคนที่ สมบูรณ์นะเป็นคนสมบูรณ์เพราะคนมีสตินั้นเป็นคนไม่ประมาทนะแล้วก็บอกไว้ด้วยว่ามั่นคงไอคําว่ามั่นคงนี่แสดงว่าต้องเป็นคนมีสติอะจะเริญสติในสติมหาปฐาฐานสูตรนั่นเองนะก็หมายถึงว่าให้เราพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิาเห็นธรรมในธรรมนะโดยมีสติเข้าไปกำหนด อ, อย่างนี้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่สั ต, คคตว์หรืคนตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัดไปไม่กีรังยั่งยืน เราพิจารณาอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสวัสดีและคนที่มีสติมั่นคงนั้นเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนไม่โมเมาเป็นคนไม่หลงลืมคนเมื่อไม่ประมาทโมเมาในการดำเนิชีวิตแน่นอนที่สุดก็เท่ากับว่าผู้นั้นได้ทําตัวเองให้ถึงที่สุดก็คือให้เจริญถึงที่สุดนคนที่มีสติสมบูรณ์นั้นก็คือว่าจะทําอะไรก็ไม่ผิดพลาดนะไม่ผิดพลาดแต่ตรงกันข้ามคนที่มีสติไม่สมบูรณ์นั้นทําอะไรก็ผิดพลาดนะ ฉะนั้นจึงบอกว่าสติโลกัสมิชาคารโอสติเป็นทรรเครื่องตื่นอยู่ในโลกนะแต่คนได้าขาดสติแล้วก็แน่นอนที่สุดหลับอยู่ในโลกเองเหมือนกันประมาทอยู่ในโลกฉะนั้นก็จึงในทางตรงกันข้ามก็คือว่าปะมาโทมัจุโนปทงังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคนประมาทก็คือคนได้ขาดสติก็เหมือนกับคนตายถึงแม้ตัวยังไม่ตายก็เหมือนกับตายแล้วเหมือนกันนะและยิ่งตัวเองนั้นถ้าประมาทในาการขับรถกับเรืยวดยานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยิ่งมีโอกาสที่จะ ตัวตายได้ง่ายอีกด้วยดัะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติมั่นคงนั่นเองว <c oughs> ิธีการเจริญสติก็คือให้เรานั้นมีเจริญกายยักตาสติมีสติพิจารณาในกายภายในกายของเราเต็มไปด้วยของสกปรกเต็มไปด้วยของไม่สะอาด <c oughs> เราพิจารณ์นี้ก็จะทำให้เรานั้นละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอเรื่องตัวเขาตัวกูของกูเสียได้อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนมีสติมั่นคง ที่นี้มาในข้ออีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นคนมีปัญญาคนมีปัญญาก็คือเป็นคนมีแสงสว่างแห่งชีวิตคนที่มีแสงสว่างแห่งชีวิตก็คือเป็นคนไม่มืดเป็นคนไม่บอดนะไม่ใช่เป็นคนอันธพานคนอันธภานเนี่เป็นคนมืดเป็นคนบอดอันทะเนี่แปลว่ามืดนะอ่าพาละเป็นคนอ่อนอ่าเป็นคนทั้งมืดทั้งบอดทั้งอ่อนเลยแต่ว่าเรามีปัญญาแล้วเราไม่มืดไม่บอดนะคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญให้ที่นั่นนะอยู่ในที่ อยู่ในที่ไม่เจริญก็ทําให้เจริญนะอยู่ในที่ไม่มีน้ํำก็ทําที่ให้มีน้ํานะคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญานี้สามารถจะย่อมแก้ปัญหาแก้อุปสรรคต่างๆนานาได้นะฉะนั้นที่ใดถ้าหากว่ามีคนปัญญามากที่นั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนะไม่มีความเสื่อมเลยนะนี่เป็นข้อที่หนึ่งในสัพริ ธ, ธรรมเพราะข้อนี้มีธรรมะรวมอยู่หลายประการก็เลยพูดเสยยืดยาวนะทีนี้มาอีกหกข้อก็จะพูด พอให้เหมาะสมกับเวลามาในข้อที่สองที่บอกว่าจะปรึกษาสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นนะอันนี้พูดรวมๆก็คือว่าจะปรึกษากับใครใครจะคิดสิ่งใดใดจะพูดสิ่งใดจะทําสิ่งใดก็อก็ปรึกษาหรือก็คิดก็พูดทําที่ไม่เป็นไปในการเบียดเบียนผู้อื่นก็หมายถึงว่า จะพูดจะทำจะคิดถ้าหากว่าเราคิดเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะคนที่คิดเบียดเบียนคนอื่นนั้นเป็นคนที่มีความอาฆาตมากร้ายนะคนเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นคนมีโรคมากนะคนไม่เบียดเบียนผู้อื่อนเป็นคนมีโรคน้อยนะเป็นคนมีโรคน้อยฉะนั้นการเบียดเบียนกันนี้ถือว่าเป็นการล้างผลาญความสุขซึ่งกันและกันใ น, ใ น, ใ น, น, นะโรคนี้ก็จะมีการแข่งแย่งกันเอารัดเอา tile, เปรียบกันมีการประหัรประหารกันฉะนั้นเราต้องไม่คิดเบียดเบียนกันนะ จะตรึกษาอะไรกับใครก็พูดโดยเมตตาพูดโดยความปรารถนาดีจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตานะคิดด้วยความปรารถนาดีจะพูดจะทําสิ่งใดก็ทําด้วยเมตตานะประกอบด้วยประโยชน์อย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแต่ถ้าหากว่าเราคิดก็คิดชั่วจะทําก็ทําชั่วนะพูดก็พูดชั่วแนะน่นอนที่สุดนี่เป็นลักษณะของคนผ่านที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในมงคลว่า คนพานั้นเมื่อคิดก็คิดชั่วเมื่อทําก็ทําชั่วเมื่อพูดก็พูดชั่วนะฉะนั้นนี่คือหลักของนักปราชญ์หลักของบรรดิตในสัพปริสธรรมที่บอกว่าจะปรึกษากับใครก็ไม่ปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทําสิ่งใดก็ไม่ทําเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่แหละเป็นลักษณะของนักปราชญ์นะเป็นลักษณะของนักปราชญ์ฉะนั้น ขอให้ให้เราทุกคนทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเมตตากรนนธาด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักอบเอื้ออารีเพื่อคลูนซึ่งกันและการแน่นอนที่สุดจะได้ชื่อว่าเรานั้นมีคุณธรรมของความเป็นผู้ดีมีคุณธรรมของความเป็นบัณฑิตอยู่ในใจก็จะทําตัวเองและครอบครัวสังคมประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมาในข้อที่หกก็คือว่าให้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว เรื่องนี้ก็พูดมามากเราคนเราถ้าหากว่าไม่เห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแน่นอนที่สุดจะทําให้เกิดความท้อถอยในกิจที่ทําคําที่พูดนะเกิดหมดเกิดความหมดกําลังใจคือเกิดไม่เกิดกําลังใจในการทํางานไม่เกิดกําลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพราะถือว่าตัวเองทําดีแล้วกลับไม่ได้ดีทําชั่วก็กลับไม่ได้ชั่วนะไอคนทาดีกลับมาได้ช่วยอคนทําชั่วกลับมาได้ดีอันนี้จริงๆแล้วในทางพระพุทธศาสนามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไอ้คนที่ทําดีมาได้ชั่วอมาได้ชั่วนั้นไอ้อย่างนั้นถึงถึงเขาคนนั้นจะว่าเป็นชั่วแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําดีนะมันก็เป็นความดีนล้ว้นนคนที่ทําชั่วแล้วก็กลับมาได้ดีเนะือไอ้คาว่าได้ดีนี้คนก็อาจจะหมายถึงว่ากลับมาได้เงินเดือนขึ้นกลับมาได้ยศขึ้นนะจริงเขาได้ก็จริงแต่ว่านั่นเขาไม่ได้ได้มาด้วยด้วยการทําดีเขาได้มาด้วยการทําชั่วฉะนั้น เขาก็ได้อ้อยที่ชั่วๆนะก็ได้เงินที่ชั่วๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่น่าภูมิใจนะมันไม่น่าภูมิใจฉะนั้นอันนี้แหละเราต้องคิดว่าทําดีเราต้องได้ดีทําชั่วเราต้องได้ชั่วการทําความคิดเห็นให้ถูกต้องอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้เราได้ทําความดีต่างๆทํากิจการงานต่างๆด้วยความเต็มใจแล้วก็ทําให้กิจการงานที่ทํานั้นเป็นไปด้วยด้วยดีนะลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็เป็นประโยชน์ แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาตินะตัวเองแต่ประเทศชาติฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงนึกอยู่เสมอว่าการทําดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้ที่ทําชั่วได้ดีมีสมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่และขอให้ท่านได้รับรู้รับฟังเอาไว้เลยว่าการทําดีนั้นหนึ่งทําแล้วต้องไม่เบียดเบียนตัวเองสองทำแล้วต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นสาม เอวินโยชน์หรือคนตลาดรับรองว่าเราทําดีนั่นแหละคือคือความดีนะนั่นแหละคือความดีแต่ถ้าเราทําอะไรยังเียดเยียนตัวเองยังเด็ดเยินผู้อื่นแล้วก็วินโยชนติเตียนแน่นอนที่สุดนั่นไม่ใช่ว่าเราทําความดีนะไม่ใช่ว่าเราทําดีขอให้เราทุกคนนั้นจงอตั้งหน้าทําแต่ความดีเป็นนักเรียนก็ขยันเรียนขยันศึกษานะเป็นข้ารการก็ขยันทํากิจการงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ให้เหมาะสมกับการเวลานะเรามี ครอบครัว ก, ก็ต้องรับผิดชอบ อ, อในความเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสองฆ์องค์เล น, นก็ต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นให้เหมาะสมะตามหน้าที่อย่าทําให้บกพร่องเมื่อทําให้บกพร่องแล้วก็ไม่ได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ตัวเองเท่านั้นครอบครัวสังคมประเทศชาติก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะคําว่าประเทศชาตินั้นก็หมายถึงว่าคนทุกคนนี่แหละถือว่ารวมกันแล้วก็เป็นประเทศชาตินะ จากครอบครัวรวมกันหลายๆครอบครัวก็เป็นสังคมนะจากสังคมรวมๆกันก็กลายเป็นประเทศชาติฉะนั้นเราทุกคนก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรจะทำแต่ในทางที่ดีที่งามเมื่อเราทำที่ดีที่งามก็ได้ชื่อว่าเราทำดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะอันนี้ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นสัตบุรุษนะสัตบุรุษก็คือเป็นบรุษผู้ดีเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะ ประการสุดท้ายคือข้อที่เจ็ดให้ทานโดยความเคารพก็คือเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลนะแก่คนที่เราให้นะแกคนที่เราให้แน่นอนที่สุดอคนที่ให้ทานโดยความเคารพนี้ในในที่นี้ท่านบอกว่าโดยความเคารพก็แสดงว่าการให้ทานโดยไม่เคารพนั้นย่อมจะไม่ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นการให้ทานด้วยความเคารพก็คือทําด้วยความตั้งใจนะทําด้วยความตั้งใจ โดยยึดหลักสามประการว่าการให้ทานที่จะได้ประโยชน์มากนั้นก็คือหนึ่งของที่ให้นั้นต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์สองอทั้งอสองของที่ให้นั้นต้องหนึ่งของที่ที่ได้มานั้นต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์สองต้องมีเจตนาดีสามทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องมีศีลมีธรรมอันนี้แหละจึงจะได้ประโยชน์มากและได้ชื่อว่าเราให้โดยความเคารพอ่า แล้วให้ด้วยประกอบด้วยเจตนาสามคือหนึ่งปุกพเจตนาก่อนจะให้นั้นก็ตั้งใจไว้ดีสองมุนจนะเจตนาในขณะที่ให้ก็ตั้งใจดีสามอามอรามอ布拉พรเจตนาเมื่อให้ไปแล้วก็ตั้งใจดีนะไม่เสียดายนะนึกถึงผลนฐานที่เราได้ให้นั้นก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเราให้ด้วยความเคารพเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสัพเพณธรรมอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาและคงเป็นประโยชน์ กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายไม่มากกว่าน้อยฉะนั้นในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร